ติขนิบาต 1. อังคณิกะภารัตวาชเถระคาถาภาษิตของพระอังคณิกะพร ะ, ระรัวาชเถระพระอังคณิกะพร ะ, ระรัตวาชเถระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่าเมื่อเราแสวงหาความบริสุทธิ์โดยอุบายไม่สมควรจึงได้บำเรือไฟอยู่ในป่าเราไม่รู้ทางอันบริสุทธิ์ จึงได้บำเพ็ญตบะอย่างอื่นอีกความสุขนั้นเราได้แล้วโดยง่ายขอท่านจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามเราบรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อก่อนเราได้เป็นเผ่าพันแห่งพระพรหมแต่บัดนี้เราเป็นพรามบรรลุวิชาสามล้างมนทินคือกิเลสได้แล้วและเป็นพรามจบไตรเพศ สปัจยะเทระคาถาภาษิตของพระปัจยะเทระพระปัจยะเทระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่าเราบวชแล้วได้ห้าวันยังเป็นเสขบุคคลอยู่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันตเมื่อเราเข้าไปยังวิหารแล้วได้ตั้งใจปรารถนาว่าเมื่อเรายังถอนลูกศรคือตันหาขึ้นไม่ได้ เราจะไม่กินไม่ดืม่มไม่ออกไปจากวิหารทั้งจะไม่เอนกายนอนเชิญท่านดูความเพียรความบากบั่นของเรานั้นผู้อยู่อย่างนี้ได้บรรลุวิชาสาได้ทำตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 3. ภพากุลเทระคาถาภาษิตของพระพากุลเทระพระพากุลเทระเมื่อจัพยากรพระอรหันต จึงได้กล่าวซ้ำคาถาไว้ดังนี้ว่าผู้ต้องการจะทํากิจที่ควรทําก่อนในภายหลังย่อมพลาดจากฐานะที่นําความสุขมาให้และย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลพึงพูดถึงสิ่งที่ตนทําได้ไม่พึงพูดถึงสิ่งที่ตนทําไม่ได้บัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมรู้จักบุคคลผู้ไม่ทําดีแต่พูดนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว เป็นสุขดีหนอไม่มีความโศกปราศจากกิเลสดุธุลีกระมเป็นที่ดับทุกข์ได้ 4. ทนันยะเทระคาถาภาษิตของพระทนันยะเทระพระทนันยะเทระเมื่อจะพยากรพระอรหัสต์จึงได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่าถ้าภิกษุมุ่งหวังในความเป็นสมณนะปราถนาจะเป็นอยู่สบาย ไม่ควรโดมินจีวรข้าวและน้ำอันเป็นของสงฆ์ถ้าภิกษุมุ่งหวังในความเป็นสมณนะปรารถนาจะเป็นอยู่สบายพึงใช้สอยที่นอนที่นั่งเหมือนงูอาศัยรูหนูอยู่ถ้าภิกษุมุ่งหวังในความเป็นสมณนะปรารถนาจะเป็นอยู่สบายพึงยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้และพึงจเจริญธรรมอันเอกห้า มาตังคะบุตเถระคาถาภาษิตของพระมาตังคะบุเถระพระมาตังคะบุเถระเมื่อจิตตีเดนความเกียตคร้านและยกย่องการปรารบความเพียรจึงได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่าขณะทั้งหลายย่อมล่วงเลยมานบทั้งหลายผู้ละทิ้งการงานด้วยอ้างว่าเวลานี้หนาวนักร้อนนักเป็นเวลาเย็นนัก ส่วนผู้ไม่คํานึงถึงความหนาวและความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าทําหน้าที่ของคนอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากความสุขเราจะใช้อกฝาหญ้าแพรกหญ้าคาหญ้าดอกเหลาหญ้าแฝกหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องพ่อพูนวิเวก6ขุจชะโสพิตะเตระคาถาภาษิตของพระขุจชะโสพิตะเตระ พระขุเชโฐพิตะเทระเมื่อจะบอกความประสงค์ที่ตนมาแก่เทวดาจึงได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าสมณะทั้งหลายเหล่าใดกล่าวทำได้อย่างวิจิตเป็นพหูสูตรเป็นชาวเมืองปัตตลีบุตรท่านขุเชโฐพิตะนี้เป็นรูปหนึ่งในภิกษุเหล่านั้นผู้ยืนอยู่ที่ประตูถ้ำเทวดาเมื่อจะประกาศเรื่องที่พระเทระมาให้สงทราบ จึงได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าสมณะทั้งหลายเหล่าใดกล่าวทำได้อย่างวิจิตเป็นพหูสูตรเป็นชาวเมืองปาตลีบุตรท่านขุทชะโสพิตรนี้เป็นภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุเหล่านั้นเมื่อยืนอยู่ที่ประตูถ้าได้ดูดลมพัดมาพระเทระพยากรพระอรหันต์ด้วยคถานี้ว่าขุชโสพิตรภิกษุนี้ได้รับความสุขด้วยอาการเหล่านี้ คือด้วยการรบดีการบูชาดีการชนะสงครามและการประพฤติพรหมจรรย์ประจำา 7. วารณเทระคาถาภาษิตของพระวารณเทระพระผู้มีพระภาคเมื่อประทานโอวาทแก่พระวารณเทระจึงได้ตรัสสามคาถาไว้ดังนี้ว่าในหมู่มนุษย์นี้ น, นรชนผู้ใดผู้หนึ่งเบียดเบียนสัตว์อื่น นรชนนั้นย่อมเสื่อมจากความสุขในโลกทั้งสองคือโลกนี้และโลกหน้าส่วนนรชนใดมีจิตเมตตาช่วยเหลือส์ทุกมูเหล่านรชนเช่นนี้นั้นย่อมประสบบุญมากบุคคลควรศึกษาคำสุภาษิตการเข้าไปนั่งใกล้สมณะการอยู่ผู้เดียวในที่ลับและทำเป็นเครื่องสงบระ ง, งับจิต8ปสิกะเทรคถา ภาสิขของพระปัสิกะเทระพระปัสิกะเทระเมื่อกราบทูลพระศาสดาถึงอุปการะที่ตนทำแก่พวกญาติจึงได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่าคนมีศรัทธามีปัญญาดีตั้งอยู่ในธรรมมีศีลสมบูรณ์แม้เพียงคนเดียวย่อมมีประโยชน์แก่ญาติและพวกพ้องทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาญาติทั้งหลายถูกเราผู้มีความรักญาติและพวกพ้อง แนะนำตักเตือนแล้วด้วยความเอ็นดูจึงทําสักการะบูชาในภิกษุทั้งหลายญาติเหล่านั้นตายล่วงละไปได้รับความสุขในเทพชั้นเดวะดึงพี่น้องชายและมารดาของข้าพระองค์พร่างพร้อมด้วยการมาคุณตามที่ปรารถนาบันเทิงอยู่ 9. เยโสชะเทระคาถาภาษิตของพระยะโสชะเทระพระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงสรรเสริญพระยะโสชะเถระว่าเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่านรชนผู้รู้ประมาณในข้าวและน้ำย่อมสู้ผอมมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นคล้ายแถาหญ้านางแต่มีใจไม่ย่อท้อพระยะโสชะเถระเมื่อกล่าวสอนธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวสองคถาไว้ดังนี้ว่า ภิกษุถูกเหลือบและยุงกัดในป่าใหญ่พึงเป็นผู้มีสติอดกลั้นในอันตรายนั้นเหมือนช้างในสงครามภิกษุอยู่ผู้เดียวเป็นเหมือนพรหมอยู่สองรูปเหมือนเทพอยู่สามรูปเหมือนชาวบ้านอยู่มากกว่านั้นย่อมมีความกโลห์มากขึ้นสิบสาติมัติยะเทระคทถาภาษิตของพระสาติมัติยะเทระ สติมัติยะเทระเมื่อกล่าวสอนธรรมแก่เจ้าของเรือนนั้นจึงได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่าเมื่อก่อนท่านมีศรัทธาแต่วันนี้ท่านไม่มีศรัทธาสิ่งใดเป็นของท่านขอสิ่งนั้นจงเป็นของท่านตามเดิมเถิดเราไม่มีความทุจริตเพราะศรัทธาไม่เที่ยงคลอนแคลนสัทธานั้นเราเห็นมาแล้วอย่างนั้น คนทั้งหลายรักง่ายน่ายเร็วในความรักและความนายนั้นพระมูนีจะชนะได้อย่างไรคนทั้งหลายย่อมหุงอาหารไว้เพื่อมุนีทุกตระกูลตระกูลและเล็กและน้อยเราจะเที่ยวบินทบาทด้วยปลีแค่งเพราะกำลังแข่งของเรายังมีอยู่ 11. อุปาลิเทระคาถาภาษิตของพระอุปาลิเทระ พระอุบาลีเถระเมื่อกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุออกบทใหม่ด้วยศรัทธายังใหม่ต่ อ, อ ก, การศึกษาพึงคบกัลยาณมิตรผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านภิกษุออกบทใหม่ด้วยศรัทธายังใหม่อยู่ในหมู่สงฆ์พึงเป็นผู้ฉลาดศึกษาพระวินัยภิกษุออกบทใหม่ด้วยศรัทธายังใหม่ เพิเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่ควรประพฤติตนเป็นคนออกหน้าออกตา 12. อุตรปาลเถระคถาภาษิตของพระอุตรปาลเถระพระอุตรปาลเถระได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่าเบญจา ก, กามคุณซึ่งทําใจให้ลุ่มหลงได้ทําเราผู้เป็นบัณฑิตสงบ สามารถค้นคว้าประโยชน์ได้ให้ตกอยู่ในโลกเราได้ตกไปในอำนาจแห่งมารถลูกสอนคือราคะเสียบติดแน่นก็ยังสามารถเปลื้องตนจากบวงมจุราชได้การทั้งปวงเราละได้แล้วพบทั้งปวงเราทำลายได้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก 13. อภิภูตเถรคาถา ภาษิตของพระอภิภูตะเถระพระอภิภูตะเถระได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่าขอเชิญญาติทั้งหลายเท่าที่มาประชุมกันในสมาคมนี้ทั้งหมดปโปรดตั้งใจฟังเราจะแสดงธรรมโปรดท่านทั้งหลายการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ขอท่านทั้งหลายจงภาคเพียรบากบัน่นขนขวายในคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดเสนาของพญามาจุราเสีย เหมือนกุลชรทำลายเรือนไม้ อ, อ้อผู้ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้จะละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วทำที่สุดทุกข์ได้ 14. โคตมะเทระคาถาภาษิตของพระโคตมะเทระพระโคตมะเทระแสดงธรรมด้วยสามคาถาไว้ดังนี้ว่าเราเมื่อยังท่องเที่ยวไปมาได้ไปตกนรก บ, บ้าง ได้ไปเถือปฏิสนธิยังเปรตโลกบ้างในกําเนิดสัตว์ยรชานอันมีแต่ทุกข์บ้างเราเสวยทุกข์อยู่หลายประการมาเป็นเวลานานแม้อัตภาพมนุษย์เราก็ผ่านมามากแล้วเราได้ไปสวรรค์เป็นครั้งคราวและได้ดํารงอยู่ในรูปภพอรูปภพเนวสัญญีนาสัญญีภ พ, พและอสัน ญ, ญีภ พ, พเรารู้แจ้งชัดภพทั้งหลายอันหาแกนสารมิได้ ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่ยั่งยืนเปลียปล่ยนแปลงตลอดเวลาครันรู้แจ้งพบนั้นอันเกิดในตนแล้วจึงเป็นผู้มีสติได้บรรลุสันติธรรมที่แท้จริง 15. หาริตะเทระคาถาภาษิของพระหาริตะเทระพระหาริตะเทระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่า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 เกเป็นที่ดับทุกข์ได้ 16. วิมลเทระคาถาภาษิตของพระวิมลเทระพระวิมลเทระได้กล่าวสามคาถาไว้ดังนี้ว่าผู้ปรารถนาความสุขที่ยั่งยืนพึงเว้นบาปมิเสียให้ไกลคบหาแต่คนดีและพึงอยู่ในโอวาทของท่านบุคคลเกาะ่อนไม้เล็กๆย่อมจมลงในมหาสมุทรฉันใด บุคคลแม้มีความเป็นอยู่ดีอาศัยคนเกียรตคร้านก็จมลงในสังสารวัตรได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรเว้นคนเกียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อนเสียบุคคลพึ่งอยู่ร่วมกับเหล่าบัณฑิตผู้สงัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดียวเข้าฌานอยู่ปรารบความเพียรเป็นนิเติกรณิบาตจบ รวมเรื่องพระเถระที่มีในนิบาตนี้คือ 1. พระอังคเิกาพารัตวาชะเถระ 2. พระปัจญเถระ 3. าพระพากุลเถระ 4. พระธนิยะเถระ 5. พระมาตังคบุตรเถระ 6. พระขุ ช, ชะโสพิตเตระ 7. พระวารณะเถระ8ด พระปสิกะเทระ9พระยะโสชะเทระ 10. พระสาติมัติยะเทระ 11. พระอุบาลีเทระ 12. พระอุตรบาลเทระ 13. พระอภิภูตะเถระ 14. พระโคตมะเถระ 15. พระภาริตเถระ 16. พระวิมลเถระ ในติก๊กการนิบาทรวมพระเทระได้16รูปรวมคาถาได้48คาถาชั้นนี้แหล 4. สี่เจตุการ น, นิบาศหนึ่งนาคสมาลเทระคาถา ภาษิตของพระนาคาสมลาเรทระพระนาคาสมลาเรทระพยากรณ์พระอรหันตด้วยสีคถาไว้ดังนี้ว่าหญิงนักฟ้อนตกแต่งร่างกายนุ่งผ้าสวยงามทัดทรงดอกไม้ลูบไล้ด้วยจุนแก่นจันทร์ฟ้อนรําอยู่ในถ้ำกลางถนนหลวงเมือเ่อดนตรีบรรเลงอยู่เมื่อเราเดินเข้าไปบิณฑบาตได้เห็นนางผู้ตกแต่งร่างกายนุ่งผ้าสวยงาม เหมือนบ่วงมัจจุราชที่วางดักไว้จากนั้นโยนิสมณนสิการจึง เ, เกิดขึ้นแก่เราโทษก็ปรากฏความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นพร้อมกันต่อแต่นั้นจิตของเราก็หลุดพ้นท่านจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามเราบรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 2. พระคุเทระคาถา ภาษิตของพระพะักตรเถระพระพะักตรเถระได้กล่าวสี่คาถาไว้ดังนี้ว่าเราถูกความง่วงเหงาหานอนครอบงำได้ออกไปจากที่อยู่กำลังขึ้นที่จงกรมได้ลม้มลงที่พื้นดินตรงนั้นเองเรานั้นนวดตัวแล้วกลับขึ้นที่จงกรมใหม่มีจิตตั้งมั่นดีแล้วได้จงกรมณที่จงกรมจากนั้น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 พระสัพพยเทระแสดงธรรมด้วยสีคถาไว้ดังนี้ว่าชนเหล่าอื่นย่อมไม่รู้ว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ในโลกนี้บรรดาชนเหล่านั้นชนเหล่าใดรู้แจ้งอยู่ความทะเลาะวิวาทกันย่อมระ ง, งับได้จากสำนักของชนเหล่านั้นเมื่อพวกที่ไม่รู้สึกยังประพฤติยึดถืออยู่เหมือนจะไม่ตายความทะเลาะวิวาทย่อมสงบลงไม่ได้เลย ส่วนพวกที่รู้ธรรมตามความเป็นจริงย่อมไม่กระสับกระส่ายในเมื่อสัตว์ทั้งหลายกระสับกระส่ายอยู่กรรมที่ย่อหย่อนวัดที่เศร้ามองและพรหมจรรย์ที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทุกอย่างนั้นไม่มีผลมากผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้นั้นย่อมห่างไกลาจากพระสัตว์ธรรมเหมือนฟ้ากับดินส นันทกะเทระคถาภาษิตของพระนันทกะเทระพระนันทกะเทระได้กล่าวสีคถาไว้ดังนี้ว่าหน้าติเตียนร่างกายของเธอที่เต็มไปด้วยของหน้ารังเกียจมีกลิ่นเหม็นเป็นฝักฝ่ายของมารชุ่มไปด้วยกิเลสมีช่องก้าวช่องเป็นที่ไหลออกแห่งของไม่สะอาดเป็นประจำเธออย่าได้คิดถึงเรื่องเก่าอย่ามาเย้าวยวนพระอริยสาวกเลย แม้ในสวรรค์ท่านเหล่านั้นก็ยังไม่ยินดีจะกล่าวไปใหญ่ถึงกรรมคุณของมนุษย์เล่าชนเหล่าใดโง่เขลาเบาปัญญาไม่มีความคิดถูกโมหะครอบงำชนเช่นนั้นย่อมยินดีในบ่วงที่มารวางดักไว้นั้นชนเหล่าใดคลายราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วชนเช่นนั้นเป็นผู้มั่นคงตัดได้คือตัณหาที่นำไปสู่พบได้ขาด ไม่มีเครื่องผูกจึงไม่ยินดีในบวงแห่งมานนั้นหชัมพุกะเทระคถาภาษิตของพระชัมพุกะเทระพระชัมพุกะเทระได้กล่าวสี่คถาไว้ดังนี้ว่าตลอดเวลาห้าสิบห้าปีเรามีกายหมักม ม, มด้วยฝุน่นบริโภคอาหารเดือนละครั้งถอนผมและหนวดออกแล้วยืนด้วยเท้าข้างเดียวเว้นการนั่ง กินคู่แท้งและไม่ยินดีอาหารที่เขาเชื้อเชิญเราได้ทำบาปกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกติเป็นอันมากเช่นนั้นถูกโอเคต่างๆพัดพาไปจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งท่านจงมองเห็นการถึงสาระจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามเราบรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วห เซนกะเทระคาถาภาษิกของพระเซนกะเทระพระเซนกะเทระได้กล่าวสีคาถาด้วยการเปล่งอุทานว่าเป็นการดีหนอที่เรามาใกล้ท่าน้ำขยาในวันเพ็ญเดือนสี่เพราะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอันประเสริฐซึ่งพระองค์มีพระรัศมีมากอย่างเป็นพระคณาจารย์พูดถึงความเป็นผู้เลิศ ทรงเป็นผู้นำอย่างยอดเยี่ยมของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงเป็นผู้ชนะมารมีพระยาหาประมาณมิได้มีอนุภาพมากมีความเพียรมากมีความรุ่งเรืองมากไม่มีอาสวะสิ้นอาสวะทั้งมวลเป็นพระศาสดาไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทรงปลดเรื่องเรามีนามว่าเสนกะผู้เศร้ามองมานาน ถูกมิช้าทิฐิหุ้มห่อไว้จากกิเลสเครื่องร้อยรัตทั้งสิน้นเจ็ดสัมพูตะเทระคทถาภาษิตของพระสัมพูตะเทระทราบว่าท่านพระสัมพูตะเทระได้กล่าวคาถาสี่คถาไว้ดังนี้ว่าผู้ใดรีบในเวลาที่ควรช้าและช้าในเวลาที่ควรรีบผู้นั้นเป็นคนเขาย่อมประสบทุกข์ เพราะไม่จัดแจงโดยแยบคายประโยชน์ของเขาย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมเขาย่อมได้รับความตำหนิจากวินยูชนและพลาดจากมิตรทั้งหลายผู้ใดช้าในเวลาที่ควรช้าและรีบในเวลาที่ควรรีบผู้นั้นเป็นบัณฑิตย่อมประสบสุขเพราะจัดแจงโดยอุบายที่แยบคายประโยชน์ของเขาย่อมบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้น เขาย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญและไม่พลาดจากมิตรทั้งหลาย 8. ราหุลเทระคาถาภาษิตของพระราหุลเทระพระราหุลเทระได้ยกล่าวสีคาถาไว้ดังนี้ว่าชนทั้งหลายรู้จักเราว่าพระราหุลผู้เจริญเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติสองประการนั่นเองคือเพราะเหตุที่เราเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า และได้ดวงตาเห็นธรรมอันหนึ่งเพราะอาสวะของเราหมดสิ้นแล้วและเพราะไม่มีการเกิดอีกเราจึงเป็นพระอรหันต์ผู้ควรแก่ทักษิณาบรรลุวิชาสามเห็นอมตะธรรมสัตว์ทั้งหลายมืดมนเพราะการรมถูกข่ายรัดเรืงไว้แน่นถูกเครื่องมุงบงังคือตันหาปกคลุมไว้ถูกเครื่องผูกคือความประมาทผูกพันไว้เหมือนปลาในคอง เราสลัดกรามนั้นได้ตัดบวงมานได้ถอนตัญหาพร้อมทั้งรากเงา่าจึงเป็นผู้เย็นดับสนิท 9. กจั น, นทนเถระคถาภาษิตของพระจั น, นทนเถระพระจั น, นทนเถระได้พยากรณ์พระอรหัตด้วยคาถาไว้ดังนี้ว่าพันยาแต่งตัวด้วยเครื่องประดับล้วนแต่เป็นทองคำมีหมู่สาวใช้ห้อมล้อมได้อุ้มลูกมาหาเรา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 ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิบธรรมิกะเทระคาถาภาษิทของพระธรรมิกะเทระพระศาสดาได้ตรัสสามพระคถาไว้ดังนี้ว่าทำเท่านั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอนิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติทธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติ เพราะธรรมและอาธรรมทั้งสองมีผลไม่เหมือนกันอธรรมนำไปสู่นรกธรรมให้ถึงสุคติเพราะเหตุนั้นบุคคลเมื่อชื่นชมยินดีด้วยโอวาทอันพระตถาคตผู้มั่นคงตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้พึงทำความพอใจในธรรมทั้งหลายสาวกทั้งหลายของพระตถาคตผู้ประเสริฐตั้งอยู่ในธรรมแล้วเป็นนักปราดถึงธรรมว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสุดย่อมพ้นไปได้ พระธรรมิกะเทระได้พยากรณ์พระอรหัตด้วยคถาสุดท้ายว่าเรากำจัดอวิชาซึ่งเป็นรากเหง้าดุดหัวฝีถอนข่ายคือตันหาได้แล้วเรานั้นสิ้นสังสารวัฏแล้วและไม่มีกิเลสเป็นเหตุขัดข้องเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญปราศจากเมฆหมอก 11. สัปปกะเทระคาถาภาษิตของพระสัปปกะเทระ พระสัพป ะ, ะเทระได้กล่าวสีขถาว้ดังนี้ว่าเมื่อใดนางนกยางมีขนขาวสะอาดถูกความกลัวต่อเมฆดำฝนฟ้าขนองคุกคามปรารถนาจะกลับรังจะบินเข้าสู่รังเมื่อนั้นแม่น้ำอชะการณีย่อมทําเราให้รื่นรมเมื่อใดนางนกยางมีขนขาวสะอาดถูกความกลัวต่อเมฆดำคุกคาม ไม่เห็นที่เรนที่หลบภัยย่อมเสาหาที่เรนที่หลบภัยเมื่อนั้นแม่น้ำอชการณีย่อมทำเราให้รื่นรมต้นว่าทั้งหลายณที่นั้นนั้นทั้งสองฝากฝังทำฝั่งแม่น้ำข้างหลังถ้าใหญ่ให้งดงามจะทำสัตว์อะไรไม่ยินดีได้ในที่นั้นเล่ากบทั้งหลายผู้มีเสียงเบาหลบหนีฝูงงูพิษได้อย่างปลอดภัย พากันส่งเสียงร้องอย่างไพเราะวันนี้เป็นสมัยที่อยู่ปราศจากภูเขาและแม่น้ำก็หาไม่แม่น้ำอชะกรณีเป็นแม่น้ำที่ปลอดภัยสวยงามน่ารื่นรมดี 12. มุทิตะเทระคาถาภาษิตของพระมุทิตะเทระพระมุทิตะเทระได้กล่าวสีคาถาไว้ดังนี้ว่าเราต้องการจะเลี้ยงชีพ จึงได้บรรพชาอุปสมบทแล้วจากนั้นจึงได้มีศรัทธามีความเพียรบากบันมั่นคงโดยตั้งใจว่าร่างกายของเรานี้จงแตกทำลายไปเถิดเนื้อหนังของเราจงเหือดแห้งไปแข้งขาทั้งสองจะหลุดจากที่ต่อเขาทั้งสองพลัดตกไปก็ตามทีเมื่อเรายังถอนลูกศรคือตันหาขึ้นไม่ได้เราจะไม่กินไม่ดื่มไม่ออกไปจากวิหาร ทั้งจากไม่เอนกายนอนเชิญท่านดูความเพียรและความบากบั่นของเรานั้นผู้อยู่อย่างนี้เราบรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจตุกะนิบาทจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาทนี้คือ 1. พระนาคาสมาละเทระ 2. พระพระคุเทระส พระสัพพยะเทระ 4. พระนันทกะเทระ 5. พระชัมพุกะเทระ 6. พระเสนกะเทระ 7. พระสัมภูตะเทระ 8. พระราหุละเทระ 9. พระจันทนะเทระ 10. พระธรรมิกะเทระ 11. เพระสัปปกะเทระ 12. สอง พระมุติตะเทระมี52 48คาถาและพระเทระทั้งหมดก็มี13ารูป12รูปช น, นี้แหล่ 5. ปัญจกานิบาต 1. ราชทาาัตเถระคาถาภาษิตของพระราชทาัตเถระพระราชทัตเถระได้กล่าวห้าคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุไปป่าชาผีดิบแล้วได้เห็นซากศพหญิงที่ถูกทอดทิ้งไว้ในป่าชา้าทั้งถูกมูนอนบอนกัดกินอยู่ธรรมดาคนผู้รักสวยรักงามบางพวกพบเห็นซากศพอันเลวแล้วพากันเกลียดชัง แต่การมราคะปรากฏแก่เราเรานั้นเป็นเหมือนคนตาบอดเพราะไม่เห็นของไม่สะอาดที่ไหลออกจากวาวรทั้ง9ก้าในซากศพนั้นชั่วระยะเวลาที่เข้าสุขเราหลีกออกจากสถานที่นั้นมีสติสัมปชัญญะได้เข้าไปยังสถานที่สมควรแห่งหนึ่งจากนั้นโยนิสมานสิการจึงเกิดขึ้นแก่เราโทษก็ปรากฏความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นพร้อมกัน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 ประกอบตนอยู่ในการงานที่มีควรประกอบหากยังขืนทําอยู่จะไม่ประสบความสำเร็จการประกอบในการงานที่มีควรประกอบนั้นแหละเป็นลักษณะแห่งความล้มเหลวบุคคลใดยังเพิกถอนความเป็นอยู่อย่างลำบากไม่ได้หากละทิ้งความไม่ประมาทซึ่งเป็นธรรมอันเอกเสียบุคคลนั้นเป็นเหมือนคนกรลาลกินีหากละทิ้งธรรมอื่นๆเสียแม้ทั้งหมด ก็จะพึงเป็นเหมือนคนตาบอดเพราะมองไม่เห็นทั้งธรรมที่สงบและธรรมที่ไม่สงบบุคคลควรพูดถึงสิ่งที่ตนทําได้ไม่พึงพูดถึงสิ่งที่ตนทําไม่ได้บัณฑิตทั้งหลายย่อมรู้จักบุคคลผู้ไม่ทําดีแต่พูดดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นแม้ฉันใดวาจาสุภาษิตก้อนฉันนั้นย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทําตาม ดอกไม้งามมีทั้งสีและมีกลิ่นแม้ฉั้นใดว่าจะสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดี 3. คิริมานันทะเทระคาถาภาษิตของพระคิริมานันทะเทระพระคิริมานันทะเทระได้กล่าวห้าคาถาไว้ดังนี้ว่าฝนตกลงมาเสียงดังกระหึม่มคล้ายเสียงเพลงอันไพเราะ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 กูดีของเราสบายมุงบางมิชิต ด, ดีเราไม่มีราคะอยู่ในกูดีนั้น ถ, ถ้าต้องการจะตกก็จงตกลงมาเถิดฝนฝนตกลงมาเสียงดังกระหึมคล้ายเสียงเพลงอันไพเราะกูดีของเราสบายมุงบางมิชิต ด, ดีเราไม่มีโทสะอยู่ในกูดีนั้นถ้าต้องการจะตกก็จงตกลงมาเถิดฝ <specific> นฝนตกลงมาเสียงดังกระหึมคล้ายเส si okay ียงเพลงขับอ <campo> ันไพเราะ กูดีของเราสบายมุงบางมิชิดดีเราไม่มีโมหะอยู่ในกูดีนั้นถ้าต้องการจะตกก็จงตกลงมาเถิดฝน 4. สุมาเนเทระคาถาภาษิตของพระสุมาเนเทระพระสุมาเนเทระเมื่อเปล่งอุทานจึงได้กล่าวห้าคาถาไว้ดังนี้ว่าพระอุปชาปรารถนารมข้อใดในบรรดาธรรมทั้งหลาย จึงได้อนุเคราะห์เราผู้มุ่งหวังแต่นิพานกิจที่ควรทําเราได้ทําเสร็จสิ้นแล้วทำเราได้บรรลุแล้วทําให้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองแล้วเรานั้นมียานบริสุทธิ์หมดความสงสัยจึงประกาศให้แจ้งในสํานักท่านเรารู้จักขันธ์ที่อาศัยอยู่มาก่อนชำระทิพยจักษุให้หมดจดแล้วได้บรรลุประโยชน์ตนได้ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราไม่ประมาทศึกษาสืบข่ามาอย่างดีในคำสอนของท่านกิเลอสอาสวะทั้งมวลของเราสิ้นไปแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกท่านมีแต่ความเอนดูได้อนุเคราะห์สั่งสอนเราด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ประเสริฐคำสอนของท่านไม่ไร้ค่าเราเป็นอันตวาสิกศึกษาแล้วในสานักของท่าน 5. วัฒเทระคาถา ภาษีของพระวัฒเถระพระวัฒเถระได้กล่าวห้าคาถากึ่งว้ดังนี้ว่าทราบว่าโยมมานดาของเราดีแท้ได้ชี้ให้เราเห็นประตักอันเป็นคำสั่งสอนซึ่งเราได้ถูกท่านผู้ให้กำเนิดพร่ำสอนฟังคำมาแล้วก็ได้ปรารบความเพียนมีใจเด็ดเดียวได้บรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเราเป็นพระอรหันต์ผู้ควรแก่ทักษิณา บรรลุวิชาสามเห็นอมตะธรรมชนะไสนามารได้แล้วอยู่อย่างไม่มีอาสะวะอาสะวะที่มีแก่เราทั้งภายในและภายนอกเราถอนได้หมดสิ้นแล้วและจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกโยมารดาเป็นหญิงผู้มีความแกล้าๆได้กล่าวเนื้อความนี้แก่เราแม้เมื่อเราเป็นบุตรของท่านผู้ไม่มีกิเลกกิเลสอันเปรียบเหมือนหมู่ไม้ในป่าก็ย่อมไม่มีแก่ท่านแน่ เราทําให้สิ้นสุดแล้วอัตภาพนี้มีเป็นครั้งสุดท้ายสังสารวัฏคือความเกิดและความตายหมดสิ้นแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก 6. นาทีกสปะเทระคาถาภาษิตของพระนาทีกสปะเทระพระนาทีกสปะเทระได้กล่าวห้าคาถาไว้ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาสู่แม่น้ำเนรัญชารา เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราผู้ได้ฟังธรรมแล้วละมิชาทิฐิได้ครั้งเมื่อเราเป็นปุตุชนยังมืดมอนอยู่สำคัญเอาว่าการบูชายันนี้เป็นความบริสุทธิ์จึงได้บูชายันต่างๆชนิดและได้บูชาไฟด้วยเรานั้นยึดถือทิฐิลุ่มหลงไปด้วยการเชื่อถือผิดเป็นคนตาบอดยังไม่รู้แจ้งได้สำคัญถึงความไม่บริสุทธิ์ว่าเป็นความบริสุทธิ์ มิจฉาทิจิเราละได้แล้วพบทั้งปวงเราทำลายได้แล้วบัดนี้เราบูชาไฟคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ควรแก่ทักษิณาเราจะนอบน้อมพระตถาคตความรุ่มหลงทั้งปวงเราละได้แล้วภวะตันหาเราก็ทำลายได้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกเจ็ 7. ขยาคัสปะเทระคาถาพาสิตของพระขยากัสปะเทระพระขยากัสปะเทระได้กล่าวห้าคาถาไว้ดังนี้ว่าเรานั้นได้ลงน้ำลอยบาปในแม่น้ำขยาในวันเพ็ญเดือนสี่วันหนึ่งสามเวลาคือเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาเย็นโดยเข้าใจเอาว่าเราได้สวยบาปกรรมที่เราทำไว้ในชาติอื่นๆแต่ปางก่อน บัดนี้เราจะลอยบาปนั้นเสียตรงนี้เราได้มีความเห็นอย่างนี้มาแต่เดิมเรานั้นครั้นฟังพระวาจาสุภาษิตอันเป็นบทที่ประกอบด้วยเหตุผลแล้วก็ได้พิจารณาเห็นเนื้อความตามความเป็นจริงได้อย่างถ่องแท้โดยแยบคายล้างบาปได้หมดแล้วเป็นผู้ไม่มีมนทินหมดจดสะอาดบริสุทธิ์เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรพุทธโอรส เราก้าวลงสู่กระแสน้ำคือมรักอันมีองแปดลอยบาปได้หมดแล้วจึงบรรุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 8. วักลิเทระคาถาภาสิตของพระวักลิเทระพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าเธอเมื่ออยู่ในป่าใหญ่เป็นสถานที่ลำบากหาปัจจัยได้ยากถูกโรคลมรบกวน จะทำอย่างไรล่ะภิกษุพระวักคลิเทระได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จะแผ่ปิติสุอันไพบู์ไปทั่วร่างกายครอบงำแม้ปัจจัยที่เศร้าหมองอยู่ในป่าใหญ่จะเจริญสติปัฏฐานสอิน 4, 5, รีห้าพละหและพโพชงเจ็ดอยู่ในป่าใหญ่ข้าพระองค์พอได้เห็นเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้ปรารบความเพียมีใจเด็ดเดี่ยวมีความบากบันมั่นคงเป็นนิ มีความสมคีพร้อมเพรียงกันมีความเห็นร่วมกันจึงจักอยู่ในป่าใหญ่เมื่อราลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ฝึกพระองค์แล้วมีพระหฤทัยตั้งมั่นจักเป็นผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ในป่าใหญ่ 9. วิจิตเสนเทระคาถาภาษิตของพระวิจิตาเสนเทระพระวิจิตาเสนเทระ ได้กล่าวห้าคาถาไว้ดังนี้ว่าเราจะคล้องจิตของเจ้าไว้เหมือนควานช้างกักช้างไว้ที่ประตูเมืองเราจะไม่ชักนำเจ้าซึ่งเป็นขายแห่งกามเกิดในร่างกายให้เป็นไปในกรรมชั่วเจ้าถูกเราคล้องไว้จะไปไม่ได้เหมือนช้างไม่ได้ช่องประตูหมดทางไปแน่จิตผู้ชั่วช้าก็เจ้าผู้เด้อดานจะพอใจใน ก, กรรมชั่วเที่ยวไปเสมอๆ ม, มิได้ ควานช้างผู้มีกำลังเข้มแข็งย่อมบังคับช้างที่จับได้ใหม่ยังไม่ได้ฝึกทั้งไม่ต้องการจะให้ฝึกด้วยให้อยู่ในอำนาจได้ชั้นใดเราจะบังคับเจ้าให้อยู่ในอำนาจได้ชั้นนั้นสารธีมือหนึ่งเก่งในการฝึกม้าให้ดีย่อมฝึกม้าให้รอบรู้ได้ชั้นใดเราตั้งอยู่ในพระห้าจะฝึกเจ้าให้ได้ฉันนั้นจากใช้สติผูกเจ้าไว จะคอยเอาใจใส่ฝึกเจ้าเจ้าจิตเอย๋ยเจ้าถูกบังคับให้ทำธุระด้วยความเพียรแล้วจะไปไกลจากอารมณ์ภายในนี้ไม่ได้ 10. ยะสะทัตตะเทระคาถาภาสิ์ของพระยะสะทัตตะเทระพระยะสะทัตตะเทระได้กล่าวห้าคาถาไว้ดังนี้ว่าคนปัญญาซามคิดแต่จะแข่งดี ถึงฟังคําสอนของพระชินเจ้าก็ยังไกลจากพระสัตธรรมเหมือนฟ้ากับดินคนปัญญาซามคิดแต่จะแข่งดีถึงฟังคําสอนของพระชินเจ้าก็ยังเสื่อมจากพระสัทธรรมเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมคนปัญญาซามคิดแต่จะแข่งดีถึงฟังคําสอนของพระชินเจ้าก็ยังเหี่ยวแห้งในพระสัตธรรมเหมือนปลาในน้ําน้อย คนปัญญาสามคิดแต่จะแข่งดีถึงฟังคําสอนของพระชินเจ้าก็ไม่งอกงามในพระสัตยธรรมเหมือนพืชเน่าในไร่นาส่วนผู้ใดมีจิตอันคุ้มครองไว้แล้วย่อมฟังคําสอนของพระชินเจ้าผู้นั้นทําอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปทําพระอรหันต์ให้แจ้งแล้วบรรลุนิพพานอันสงบอย่างยิ่งเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานสิอ โซนกุติกั น, นเถระคาถาภาษิตของพระโซนกุติกั น, นเถระพระโซนกุติกั น, นเถระได้กล่าวห้าคาถาไว้ดังนี้ว่าเราได้อุปสมบทแล้วเป็นผู้หลุดพ้นไม่มีอาสวะได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและได้อยู่ร่วมกับพระองค์ในพระวิหารพระผู้มีพระภาคประทับอยู่กลางแจ้งหลายราตรีนั่นเทียว คราวนั้นพระศา ส, สดาผู้ทรงฉลาดในธรรมเป็นเครื่องอยู่ได้เสด็จเข้าไปสู่พระวิหารพระโคโดมได้ทรงลาดผ้าสังคาติสำเร็จศีหสาสยญาติและความขลาดกลัวได้แล้วเหมือนราชสีนอนอยู่ในถ้ำภูเขาจากนั้นโซนส า, าวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กล่าววาจาไพเราะได้กล่าวพระสัสธรรมถวายเบื้องพระพักพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐ กำหนดรู้เบญจคันธ์ทำอริยมรรคมีองค์แปดอันเป็นทางตรงให้เจริญบรรลุนิพพานอันสงบอย่างยิ่งจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพาน 12. โกิยเทระคาถาภาษิของพระโกิยเทระพระโกิยเทระเดือกกล่าวห้าคาถาไว้ดังนี้ว่าผู้ใดเป็นปราชดรู้คําสั่งสอนของครูทั้งหลาย พึงอยู่ในโอวาทของท่านและพึงทําความเคารพให้เกิดในโอวาทของท่านผู้นั้นชื่อว่ามีความพักดีเป็นบัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลายอันตรายที่ร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วทําผู้ใดซึ่งพิจารณาอยู่ให้วันไว้ไม่ได้ผู้นั้นชื่อว่ามีกําลังเป็นบัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลายผู้ใดตั้งมั่นไม่วันไว้ มีปัญญาลึกซึ้งเหมือนมหาสมุทรเห็นอัดที่ละเอียดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ง่อนแง่นเป็นบัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลายผู้ใดเป็นพหูสูตรทรงธรรมและมักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตเช่นกับครูนั้นและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลายผู้ใดย่อมรู้ความหมายของพระปริยัติธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วและครั้นรู้แล้วก็ทำตามที่รู้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในอำนาจเหตุผลเป็นบัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลายปัญจกานิบาตจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาทนี้คือ 1. พระราชาทัตตะเทระ 2. พระสุภูตะเทระ สพระคิริมาณนัฏเถระ 4. พระสุมาณเถระ 5. พระวัฏเถระ 6. พระนาเทิกัสปะเถระ 7. พระขยากัสปะเถระ 8. พระวกคลิเถระ 9. พระวิชิตเถระ 10. พระยาาะสะทัตเถระ 11. พระโสนกุติกั น, นเถระ สิบสองพระโกศยะเทระในนิบาทนี้มีพระเทระสิบสองรูปกล่าวรูปละห้าคาถารวมเป็นหกสิบคาถาชันนี้ แ, แล